จะไม่นิมนต์ผมหน่อยเลยบางทีทมวัดจบหลือไม่นิมนต์หยิบไม้มาพูดมันก็จะมีอาการแปลกๆได้วิธีคิดวิธีมองอก็ทมวัดจบแล้วก็ไปวัดตามกันอันนี้ก็บักจพูดอยู่เสมอ มันไม่ใช่แค่เป็นคำพูดอย่างเดียวเพราะว่ า, วามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการกลับมาหาตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเมื่อกี้จย์ทุลินนำธรรมวัดอัปมาเทนะสัมปาเททะเป็นปัจฉิมโมวดัดองสมเด็จสัมมาสุตเจ้า45ปีสอนธรรมหลังจากบรรลุธรรม ขณะที่ดับขันปรินิพานก็มีวาทะ <quê. S 1> เป็นท้ายสุดสังเสียนนคนที่ใกล้จะดับขันปริณิพานก็ไม่มีการโกหกกันบอกความจริงทันทีอภมาเทนะสัมปาเทธท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทได้ถึงพร้อมเถิดทา ที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทก็คือนะสติประฐาน4 ส, สติสมชัญญะนะสติสมชัญญะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติธรรมที่สุดเลยนะไม่มีธรรมอะไรที่มันจะใหญ่กว่าสติอีกแล้วนะเปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง มันเป็นคําเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพชัดนะทำทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นรอยเล็กๆกุศลธรรมอกุศลธรรมต่างๆมันเป็นความจริงนะถ้ามีการสัมผัสนะรู้สึกได้มันจะมีพลังมากเลยของเล็กๆน้อยๆมันอยู่ในรอยเท้าช้างนะคลุมไว้หมดแล้ว สติสัมปัญญะคืออะไรก็คือการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้รูปธรรมนามธรรมนี่แหละเหมือนกับหลวงปู่เทียนเหมือนกันท่านก็ละสังขารไปได้สั่งไว้ว่าในการปฏิบัติเนี่ยต้องจำต้องจดกันเอาไว้ต้องจดต้องจำกันเอาไว้ให้ดีๆแล้วท่านก็ลงมือเขียน เป็นไายลักษอักษรถึงจะยังไม่รู้อะไรจากการรู้แจ้งรู้จริงให้รู้จำมารู้จักรู้จักรู้จำตรงนี้ก่อนท่านก็บอกว่าจำอาไว้นะปฏิบนะัติตามในให้รู้รูปนามก่อนรูปนามถ้านเป็นบอกรู้กายรู้ใจนะท่านบอกรู้รูป ร, รู้นาม มันเป็นภาษาที่มันแตกฉานไปเลยห mm hmm. ลวงพ่อเขียนท่านก็ขยายควา ม, มาการรู้กายรู้ใจนะมันไปนแค่ดุนดุนก่อนๆมันไม่กว้างขวางแต่รู้รูปรู้นามมันแตกฉานมันกลายเป็นรู้นอกรู้ในนะขยายความต่อไปว่าหลวงปู่เทียนชี้อะไรต่อไมร่รู้รูปรู้นาม รูปธรรมนามธรรมเนี่ยตรงเนมจะรู้จากวัตถุรู้จักปรมัทิตย์เราก็รู้จักอาการนั่นเป็นยังไงวัตถุก็ตาเราก็ทบรูปยังไงวัตถุหูฟังเสียงขนาดนี้ไงวัตถุร่างกายเราสัมผัสกับอะไรก็ตามตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ย รูปรถแสงสีกลิ่นเสียงต่างๆที่มันมีอยู่รอบๆตัวกันนีภายในก็คืออารมณ์แล้วก็ความคิดนี่ไงเวลามันง่วงเหงาหานอนเวลาเบื่อเวลามีสุขมีทุกข์เนี่ยเป็นวัตถุหมดนั่นแหละหรือบางทีเนี่ยปรุงแต่งไปในอดีตคิดไปในอนาคต แม้ั้่เป็นอาการที่ปรากฏในจิตนะซึ่งเป็นนามธรรมนะมันก็เป็นวัตถุเหมือนกันนะมันมีอาการจ้อนอยู่ด้วยนะวัตถุที่เราสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นกริยาอาการนะอย่างตาเรากระทบกับวัตถุตอ น, นี้ต้นเสานะี่ยมันก็มีกริยาของมันนะหรือเรามองเห็นนะีรูปคนที่นั่งอยู่นะถ้าใส่สมมุติเข้าไปก็เป็นผู้ชายผู้หญิงมันก็มีอาการของมัน มีกริยาของมันกริยาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดจากการกระทบสัมผัสส่วนอาการเนี่ยเราดูข้างในจิตของเราเวาจิตของเรามันพอใจไม่พอใจมันบวกบวกลบลบเนี่ยถูกนมันเป็นอาการเป็นสุขเป็นทุกข์นะเป็นอาการมันปกติมันไม่ปกตินะเป็นอาการอย่างเงี้ยมันเห็นเป็นกิริยาเห็นเป็นอาการต่อมาก็คือ อาการเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นนามนธรรมแน่นอนละนะโทสะโมหะโลภะเนี่ยมันเป็นตัวอาการนะมันสัมผัสได้ถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวมันสัมผัสได้ก็ตอนที่มันรู้สึกตัวนั่นแหละเราพยายามที่จะสร้างความรู้สึกตัวมาตัวนึงก็คือการเคลื่อนการไหวมือสิบสี่ใช่ไหมการเดินจงกรม แต่ว่ามันมีอีกตัวนะมันเกิดขึ้นมาระหว่างธรรมชาติที่เราผลิตขึ้นมาเราสร้างขึ้นมากับตัวที่เกิดความเป็นเองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าอาการเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเอามาซ้อนเป็นความสุขความทุกข์เป็นความพอใจไม่พอใจหลวงพ่ออมเขียนนั่นใช้คำว่าดับเบิลทุกข์ดับเบิทุกข์เวลาคิดซ้อนคิดกระดับเบิคิดมันซ้อนเข้าไปอีก แต่ที่มันจะจบซะถ้าสัมผัสกับอาการรู้สึกตัวหรือว่ามีกรรมฐานการเคลื่อนการไหวมือ14ชส่จังหวะหรือว่าการเดินจงกรมนะเบื้องต้นอลไนะอันนี้มันก็จะกลับมาเหนะมือนกับจิตที่เริ่มจะมีที่อยู่นะเบื้องต้นเลยเอากลายเป็นวิหารละทำรู้ตัวทั่วพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้าง รู้เป็นจุดจับหยาบขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งรู้ว่ารู้ละเอียดทั่วพร้อมนี่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติที่ฝึกสติมีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าความว่องไวจับใบทันควันตัวนี้ต้องอาศัยชั่วโมงบินฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกรู้การเคลื่อนกันไหวซ้ำๆจนชำนาญจนกระทั่งเหมือนกับว่า มีการสัมผัสแล้วก็รู้แจ้งขึ้นมาว่าสิ่งนี้มันคืออะไรบันไดสัมผัสจนเกิดความมั่นอกมั่นใจเฝ้าดูจนเห็นชัดว่าพึงได้ก็ทําให้พอใช้พึงได้แล้วก็พอใช้ตรงนี้กรนันหมายถึงมัจะอยู่ตรงไหนก็ได้วันนี้นั่งอยู่ที่นี่วัดป่าสุกโตขณะ น, นี้เดี๋ยววันนี้บางคนอาจจะเดินทางขณะเดินทางก็รู้สึกตัว จับพวงมาลัยหรือว่านั่งเป็นผู้โดยสารรถมันลงหลุมมันก็ะหยาบมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันแปลกมันออกตัวนะก็รู้สึกตัวได้บางทีก็มีอาการแส้ขึ้นมานะปวดปัสสาวะเกิดนะความคิดขึ้นมาต้องการร้องขอนะมันก็เป็นความรู้สึกตัวจนนั่งกลับถึงบ้านถึงช่องจะอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานก็ใช่เหมือนกันนะเพราะว่ามันรู้เป็น มันมีความชำนาญมารู้ละเอียดขึ้นมันก็เกี่ยวกับกายกใจของเรามันได้เกี่ยวกับสถานที่มันเกี่ยวกับตัวรู้มันรู้ตัวเป็นอย่างนี้ต่อมาพอมารู้โทสะโมหะโลภะมันเป็นอาการพอจะรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการเหมือนกันเป็นยังไงเวทนาก็เวลามันสุขมันทุกข์นานๆมันเจ็บมันปวดมันเมื่อย มีร่างกายมันก็ต้องมีทุกเกิดขึ้นมาร่างกายเป็นก้อนทุกข์ใครบอกชาตินี้ไม่มีทุกข์โกหกคำโตตอนโตหัวจลดเท้ามันก้อนทุกข์ต้องดูแลทั้งวันต้องนั่งต้องเดินต้องยืนต้องนอนต้องแก้ทุกข์ตลอดเวลาต้องกินต้องขับถ่ายต้องอาบน้าอาบท่านุ่งห่มขัดสีฉวีวันต้องเยียวยาหาหมอจารพั มันทุกข์ทั้งนั้นใครบอกว่าไม่ทุกข์มันคงจะไม่ใช่เสแล้วเติมกันก็คือไม่เอาทุกข์ขังคุกขังให้ร่างกายทิมเป็นคุกน่มันขังมันเป็นความทรมานในจิตในใจของเราเพราะจิตนี่มันทรมานจริงๆเ จ, จ, จ็บปั๊บเจ็บกายก็เจ็บใจด้วยภาษาโบราณท่านพูดไว้เจ็บกายปานไฟไหม้เจ็บใจปานฟ้าผา ตะครับอกครับใจเจ็บใจในจําไม่ลืมแต่ร่างกายเนี่ยไม่เป็นไรแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยมันตายเผาแล้วก็ยังติดตัวไปอีกอย่างนี้กี่พบกี่ชาติเวียนว่ายตายเกิดจองเวีนจองกรรมผูกอาฆาตพยาบาทไม่รู้จักจบจากสิน้นจึงต้องมีอภัยร่ว่าเมตตาธรรมตรงนี้หรือเมื่อมีความรู้สึกตัวเริ่มก็รู้แล้วแหล ะ, ละมันก็เป็นของหนักทางนั้นแหละ ตัสัโมหาโลภ ะ, ะที่มันเกิดขึ้นมากายที่มันเจ็บมันปวดขึ้นมามันเมื่อยนะหรือว่าจิตใจของเราเวลามันรับรูนะ้แล้วก็หลงเข้าไปในการสภาวะต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานะมันก็เริ่มที่จะนะเหมือนกับเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่านยะอาการเหล่านั้นซึ่งเป็นความทุกข์ที่เราเคยหลงเข้าไปนะ ความเป็นปกติมันมีอยู่มันก็เลือกเป็นล้กันเนี่ยเริ่มเห็นความเป็นปกติชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งมีสภาวะอาการตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมามันก็เป็นเพียงแค่อาการของธรรมชาติมันไม่ใช่ต้องยึดเอาไปเป็นความทุกข์มีตัณหาทะยานอยากไขว่ว่าผักใส่พวกนี้ยรว่ายึดเข้าไปเต็มเต็มร้อยเลยนะการยึดเนี่ยบางทีมก็ได้เจตนายึดบางทีนี ร่างกายาก็กำลังมีธรรมชาติมีสารเคมีต่างๆมากมายอย่างคว์มกรดเนี่ยหลายคนบางทีไม่ได้อยากกรธเลยนะแต่ว่าติดสารเคมีในตัวเวลากรดเวลาเครียดเนี่ยทางการแพทย์ก็บอกมีอะดรีนาลีนหลั่งออกมาแล้วคอติซอลหลั่งออกมาบางทีมันหลั่งจนเป็นนิสัยนิดเดียวมันก็ไหลได้แล้ะหลั่งมาแล้วจิตมันก็เออสัมผัสรับรู้เข้าไปเสพ เลยเป็นคนขี้กรดกี่โมโหโโธโศจริงๆก็ไม่ได้อยากโกรธ น, นะแต่มันโกรธอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยก็ว่ามันมีนิสัยกันอยู่แล้วก็เปลี่ยนยนะรู้เท่ารู้ทันกลับมารู้เนื้อรู้ตัวหลวงพ่เทียนท่านก็ชี้เอาไว้นเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นคําพูดเรามาปฏิบัติมันก็เริ่มที่จะคลิกเนีถอดละหันแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ได้พูดไว้แค่นี้นะ ท่นก็บอกถึงว่ามันมารู้นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้มาถึงตรงนี้ปึ๊บนมันก็จะต้องรู้อีกว่าเออในสภาวะของกริยาอาการนะที่เป็นเรื่องของกิเลสนะกิเลสมันมีอาการยังไงโทสะโมหะโลภะนะรู้กิเลสนะรู้ตัณหา ตันหาเป็นยังไงเวลามันทยานอยากไปชอบไม่ชอบถึงนี้นะอุปทานเป็นยังไงเวลามันเข้าไปยึดติดเป็นยังไงแต่ละสภาวะแต่ละสภาวะเวลายึดเป็นยังไงเวลายึดแม้กระทั่งรูปแบบนะยึดแล้วมันจะเป็นยังไงอย่างนี้มันเป็นสมมติยังไงเป็นปรมาณิยังไงการเคลื่อนไหวสี่จังหวะเดินยงกลมนีนะ่หรือว่านะในสภาวะที่เราทําหน้าที่ต่างๆ มันเป็นสมมติยังไงเป็นปรมาณิยังไงเวลาเห็นมันเป็นสมมุติยังไงเป็นปรมาณิยังไงอย่างเราเห็นพัดลมเห็นนาฬิกาเห็นไฟมันเป็นสมมติยังไงเป็นปรมาณิยังไงเราเห็นผู้ชายผู้หญิงเป็นสมมติยังไงเป็นปรมาณิยังไงในจิตของเราเนี่ยเวลามันคิดมันเป็นสมมติยังไงเป็นปรมาณิยังไงเวลามันปรุงแต่งมันเป็นสมมุติยังไงเป็นปรมาณิยังไงเรียกว่าเห็นอะไรก็ตามสัมผัสอะไรก็ตามมันสักตะว่าหรือมันเข้าไปเป็นในอาการหล่อนั้นเนีย มันก็จะรู้จักขึ้นมาในลักษณะของกิเลสตัณหาอุปทานกรรมกรรมก็คือการกระทํามโนกรรมเป็นยังไงเวลาเกิดมโนกรรมใช้วัจีกรรมมาเป็นไงเกิดมโนกรรมใช้กายกรรมมาเป็นยังไงกรรมคือการกระทํามีผลนําทั้งดีทั้งชั่วเราก็เปลี่ยนกรรมเป็นกรรมฐานซะอย่างเมื่อวานเนี่ยปไปติด ที่นี่วัดป่าสุกโตสถาบันสติปัฏฐานและตัวล่างก็มีตัวดํำๆเป็นตัวลูมิเนียมชุบหลมดํามาเขียนคําว่ากรรมาฐานแนวเคลื่อนไหวพระเจตนาชี้ชัดเลย <c oughs> การเคลื่อนไหวเนี่ยมันคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป <c oughs> มันเรื่องของรูปธรรมนามธรรมที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเว ล, เวลา พลังงานของโลกมีการเกิดดับทั้งหมด<น>ะอะไรก็ตามนะมันเป็นปัจจุบันเป็นอดีตเป็นอนาคตมีการเคลื่อนไหวหทั้งหมดนะวันนี้เป็นปัจจุบันะแต่พอผ่านไปก็เป็นอดีตพอเป็นวันพรุ่งนี้นะมันก็เกิดจากวันนี้อีกนะวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ดีวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ก็ไม่ดีอย่างงีนะ้มันจึงเป็นเรื่องของ การรู้เท่ า, ารู้ทันเนะจ้าผูดทั้งหลายอันมาเตือนไว้น็ดหนึ่งนะขอเตือนขออนุญาตเตือนนะลักษณะการฟังเทศฟังธรรมทำวัดสวดมนต์ในชุมชนนะจริงๆแล้วนะนะควรให้จบกิจกรรมไปก่อนนะก่อนที่จะฟังเทศฟังธรรมทำวัดสวดมนต์นนะไปเข้าห้องน้าให้เรียบนระ้อย ไปปัสสวาวะไปอุจจาระแล้วก็เตรียมตัวมาดีๆ ด, ดื่มน้ำน้อยๆนะเพราะว่าเวลาทำกิจกรรมในชุมชนนะควรมาพร้อมกันเลิกพร้อมกันนะจะเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมนะมันเป็นนิมิตนะเป็นการฝึกตนนะนะเวลาลุกขึ้นเนี่ยสมาธิจะหลุดทันทีนะเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปทันทีนะก็คือการเกิดดับอันนะี้กำลังขยายความถึงนะ สภาวะที่มันเป็นพลังเป็นเหตุปัจจัยต่อกันทั้งหมดเลยมันเป็นนิมิตนะคนข้างๆกำลังนั่งสมาธิฟังตั้งใจฟัง mm hmm. กำลังมีสติรละลึกรู้อยู่มีสติมีสมาธิมีสมัม ญ, ญัะ mm hmm. ไปมีการขยับเคลื่อนอันนั้นนะ่นะมันหลุดมันจะหลุดได้นะสภาวะธรรมอาจจะเปลี่ยนไปเลยทันที องค์สมเด็จสมมาเจ้าเคยถามาไว้เวลาสาลีบุตรหรือว่าภานนท์เทศนาธรรมเนี่ยท่านจะนิ่งถ้ามีเรื่องมีเราต้องขึ้นต้องลงเนี่ยท่านจะนิ่งก่อนอันนี้มาเคยศึกษาแล้วก็เคยรู้มาไม่รู้จริงไม่จริงเหมือนกแต่ก็สังเกตเวลาเราเป็นองค์เทศเองเนี่ยหรือหลวงพ่อเองก็ตามเวลาท่านเป็นองค์แสดงธรรมนะเวลามีอาการอย่างนี้ท่านเปลี่ยนเรื่องดันดีทุกครั้ง ทันทีจะต่อสภาวะต่อเชื่อมเชื่อมเชื่อมจนมีการน้อมแล้วก็ไหลไปถึงจุดหมายนั้นปรากรมันเปลี่ยนทันทีสะดุดทันทีหยุดทันทีมันบอกกันไว้เลย <c oughs> เราได้สัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ไหมอย่างเงี้ยหลังจากนั้นพระเจ้าก็จะมาบอกสาธุ <c oughs> ดีแล้วหรือบางที น, น่ในในหมาเถระสมาคมนะจะมีการจับกันวันไหนพระปลอมไหนพระจริง แล้วก็มีการไปฟังธรรมกันจะส่งสายสืบนะเรียกว่าแพระสารวัตรนะออกไปสืบไปค้นบางทีตัวท่านก็ไปดูเองเลยประธานใหญ่ก็ไปสืบเสาะสภาลุบหนี้มีพฤติกรรมอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะฟังไม่เข้าไปวุ่นวายแต่เป็นลนักษณะใจสืบก็จะอยู่กันแถวแถวรอบๆนะฟังนิง่งหรือบางทีก็นั่งแบบไม่ขยับเลยเพื่อดูสภาว่ามันไหลตั้งต้นจนจบ ประเทศจบท่านก็จะแสดงตัวแล้วก็บอกว่าสาทุที่ท่านพูดนะถูกต้องก็จะสนับสนุนกันทันทีอย่างนี้เลยมนะันให้ทราบเอาไว้เวลาทำวัดเสด็จมนนะ์นิสัสชาวผู้ตรงนิ่งอย่างเดียวฟังจนจบแต่นอกจากนอกจากมีโรคภัยไข้เจ็บท้องเสียจริงๆริงมาเคยถึงขั้นบอกว่าถ้ามันถ่ายปราาะวัตราดเดี๋ยวจะไปซักให้ทั้งหมดเสื้อผ้าเกงนายจะซักให้เองเคยพูดไวขนาดนั้นเลยนะ แต่ตอนหลังนี่ก็ไม่ค่อยได้แสดงตัวแบบนั้นอีกแล้วแต่ครั้งนี้ก็บอกอีกรางหนึ่งเมื่อกี้ตั้งใจว่าจะเดินสภาวะให้จนกระทั่งถึงที่สุดแล้วญาญย่อมมีจะเดินให้ในคำพูดของหลวงปู่เทียนนะแต่ว่าก็สะดุดละแต่ถ้าจะย้อนกลับมาใหม่ถ้าตั้งใจฟังมันก็จะฟังไหมโยมจะฟังไหมฟังไหมจะพูดให้ต่ อ, อคือพอมาถึงจุดที่ว่า กิเลสตัณหาอุปทานกรรมมันคือสภาวะของอะไรอาการยังไงกริยายังไงพอเรามาอยู่กับการเคลื่อนการไหวนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนดูเป็นเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อไอ้ตัณหาอุปทานกรรมนะกรรมเนะี่ยมันเกิดในจิตเท่านั้นพอเกิดในจิตมันก็ออกมาทางคำพูดพอเกิดในจิตมันก็ออกมาการแสดงออกทางกายนะก็จึงมีการถอนรหัส กลับกันไปได้เห็นพูดอย่างีงรู้แล้วว่าจิตเป็นยังไงเป็นจิตบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แล้วเห็นถาอย่างไงรู้แล้วว่าจิตเป็นยังไงจิตบริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์อย่างี้นะพอมันรู้ถึงเรื่องกรรมนะมันเห็นเรื่องของในจิตแล้วนะพฤติกรรมของจิตนะมันก็จะเห็นตัวหนึ่งก็คือจิตที่เปลี่ยนไปภาะวะผู้ดูมันมีอะไรมันมีความรู้สึกตัวในความรู้สึกตัวมีอะไรมันมีศีล เรียกว่าขันหรือว่าจุดรองรับของศีลนั้นเป็นยังไงเวลารู้สึกเนี่ยมันเกิดตรงไหนเวลามันหลงเนี่ยมันเกิดตรงไหนตำแหน่งเดียวกันยังไงปฏิยาการตรงนั้นนําเป็นยังไงในจิตของเราเนี่ยมันเกิดยังไงเป็นศีลสภาวะปกตินําเกิดนั้นเป็นยังไงศีลคือปกติมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นมาจิตปกติเป็นยังไงไม่ปกติเป็นยังไงหรือว่ามีมากๆเป็นศีลขันนําเป็นยังไง เวลามีสีและมีสมาธิมันนิ่งรู้มันเป็นยังไงมันตั้งมั่นรู้มันเป็นยังไงมันแน่นมันทีมันรู้ต่อเนื่องมันรู้แบบไหวพิปฏิพานอย่างมันนิ่งรู้มันเป็นยังไงมันว่องไวมันฉับไวมันทันควันมันเป็นยังไงกิเลยขึ้นมาพระมันรู้ปุ๊บอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงมันเป็นปัจจุบันยังไงเป็นอดีตยังไงเป็นอนาคตยังไงแล้วมันผ่านยังไง มันเป็นจุดตั้งมั่นนะก็คือศีลขันจะมาทิขันแล้วก็ปัญญาขันเนมันเกิดขึ้นระหว่างจุดที่รู้กับจุดที่หลงตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวกันเมื่อก่อนมันเคยหายไปแต่ตอนนี้มันมีอยู่หลวงพ่อเทียนบอกมันมีอยู่มันเป็นอยู่หลวงพ่อเขียนบอกไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรอ่บาก็เลยเชื่อมจับโยงให้มันมีมันเป็น ถ้ามันจะไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรมันเป็นคือเป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งมันเป็นมันเป็นมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆปัญญาก็มารู้ละอ๋อมีอยู่เป็นอยู่พร้อมสัมผัสอยู่มันมีอยู่อันนี้เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องใครมันทุกข์ก็เรื่องของเรามันไม่ทุกข์ก็เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องใคร แต่ถ้าเวลามันทุกข์มันมักจะมีผลกระทบมันเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ได้เบียดเบียนตัเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นมันก็รู้ชัดของมันอย่างนั้นนะพอมันรู้ตรงนี้ปั๊บนะสภาวะที่มันรู้จุดตั้งมั่นของสติศีนสมาธิสัญญาในความรู้สึกตัวด้วยนะพอมันเกิดที่กายมันเกิดที่จิตจิตก็อยู่กับกายจึงรู้ได้เวลากายเป็นกลางจิตใจเป็นกลางใจปกติจิตก็ปกติอย่างเงี้ย มันเป็นยังไงแล้วก็ตัวกายมันก็ปกติวาจางก็ปกติมันเป็นยังไงมันก็บอกเราเราก็สัมผัสเอาอย่างเงี้ยเฝ้าดูทุกวันก็ต้องเห็นตัวเองนะชัดกว่าเห็นอย่างอื่นนพอมารู้ตรงนี้ปั๊บมันก็รู้แล้วว่าอตัวกามมาสวะเป็นยังไงกามที่เรายึดเนี่ยมันเป็นยังไงกามตันหาวิวะตันหาเนี่ยมันเป็นยังไง มันก็รู้ชัดแล้วอ๋อมันเป็นตัวบวกบวกลบลบลบลบบวกบว ก, บวกพอใจไม่พอใจอย่างนี้นะสุขสุขทุกทุ ก, ทกนี่แหละทยานอยากอยากจะได้อยากจะไม่ได้ อ, อ๋อไอตัวนี้ตัวกามเนี่ยเราไม่หยุดนิ่งนะจิตมักจะไหวนะแล้วก็เข้าไปในนะอารมณ์เข้าไปในการปรุงแต่งเข้าไปในความคิดนะเข้าในการนึกนะเข้าไปในการระลึกเนะี่ยระลึก นึกคิดปรุงแต่งโอ้มันอยู่ตรงนี้นี่นนะมันชอบเผลอหลงกขไปแต่บัตรนี้เรารู้เราหยิบ ม, มาใชนะ้ปรุงแต่งที่เป็นกุศลปรุงแต่งที่เป็นประโยชน์เป็นบุญนะเป็นการใหนะ้เกิดความสุขขึ้นมาเอ้มันมีเหมือนกันคราวนี้มันก็จะโยงไปแล้วนะโยงเข้าไปแล้วหลังจากที่รู้เรื่องกา ม, มาสะวะคิดข้างใดเป็นพบทันทีพบก็คือภาวาสะวะหลวงปู่เทียนยังบอกให้รู้เรื่องกา อารมลึกแล้นะรู้เรื่องของพบชาติชรลามรณะมันจะต่อมาในการปรุงกันแต่งคลิปแต่ละครั้งคือพบชาติชรลามรณะเกิดดับตลอดเว ล, เวลามองเป็นผ้าไตรลักณได้เลยการเคลื่อนการไหวถ้ามองเป็นผ้าไต้ลักษได้ก็โยงไปหาตรงนั้นได้อีกเหมือนกันจิตใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่ยิบเลยมันจะเห็นตัวอวิชชาสวะเกิดขึ้นมาอวิชชาคือมันรู้ไม่ถูก มันรู้ในการแต่มันรู้ไม่ถูกมันรู้มันไม่ใย่ไม่รู้แต่มันหลงรู้นะมันไม่ใย่รู้ว่าหลงปฏิปทามันจะมีหลงว่ารู้มันไม่ใย่รู้ว่าหลงไอ้หลงว่ารู้เนี่ยอันตรายตัวนี้อันตรายที่สุดเลยรู้ว่าหลงไอ้ตัวนี้ปลอดภัยเกือบตกก็เกือบได้นะเวลาเรียนนะเกือบตกนี่ปลอดภัยไหมเดี๋ยว เกือบได้นี่ปลอดภัยไหม <c oughs> ยังไงกูกระตกอะนะเกือบได้แต่เกือบตกนี่เออคนหัวลุกเฮ้ยผ่านมาได้ยังไงวะเราผ่านกันมาได้ยังไงน่าจะตายกันไปตั้งนานแล้วใจยืดมตบางเรื่องบางเรานะอุย้ยเสี่ยงจริงๆเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันมไหมรอดมาได้จนกทั่งเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้อู้ว่ามันมันน่าจะสดชื่นกันนะไม่ใช่มันนั่งฟังว่วงเหงานอน มัน่าจะสดชื่นสดชื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยยิงเข้าถึงความรู้สึกตัวการเคลื่อนกันไหวแล้วแม่มันที่สุดนะมันตื่นรู้นะ่แต่ส่วนใหญ่ชอบการตื่นตนธตกใจนะตื่นบนกิเลสได้ดังใจแล้วก็สดชื่นอย่างเงี้ยแล้วทายสุดกทุกต่อแต่บัดนี้มันกลายเป็นการตื่นรู้นะเรื่องราวที่มีอยู่ในตัวนําพอแล้วในการดํารงชีวิตในชาติเนีนะนะ้ขันห้าของเราเป็นความบริสุทธิ์ที่ใช้ ใช้เข้าได้อย่างปกติสุขนะเราก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องฝึกหัดกันนะั่นแหละนะมนุษย์เป็นสาตประเสริฐที่จะต้องฝึกอย่างนี้นะถ้าไม่ฝึกก็จะไม่ประเสริฐจิตใจเป็นมนษุษย์มันก็เออเตือนรู้แล้วสะอาดสว่างสงบอ่ะจะพูดต่ออารมณ์ของหลวงปู่เทียนจริงๆแล้วเวลาหมดละแต่ขอต่ อ, อกนิดนึงการนี้พอมาถึงเรื่องของท้ายสุด การทําหน้าที่นะพอเรามีสมาธนะิมีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วนะรู้จักว่ากามคืออะไรนะมันก็จะรู้จักแล้วแล่ะราคะปริคฆาตเป็นยังไงหรือว่ารูปราคะอารูปราคะเป็นยังไ ง, นะาาา ง, ไงมารู้แล้วล่ะกลุ่มนี้มันจะแตกไปเป็นกามปฏิคฆาตเป็นยังไงนะมันจะแตกกลายเป็นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะทีนี้ มันจะรู้ถึงเวลาเราใช้กายนะเวลาเราใช้วาจาที่เกิดจากจิตนะกายทำชั่วไปยังไงจะได้รับทุกข์แล้วโทษรับทันยังไงนะเวลาวจนะีเป็นโทษวจีวิญญัดบัญญัติไปทางวจนะีมันจะมีผลยังไง แต่พูดดีไปสวรรค์ยังไงพูดเพราะพาะนะ้ออ้ออ้อเหลือจ้าขอบคุณค่ะไม่เป็นไรขอโทษอย่างเงี้ยมันจะรู้ว่าหลุดยังไงเป็นความดีเป็นความสุขยังไงเป็นการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนพืชนยังไงนะเวลาใช้พระลวาจานะเวลาใช้พระเดชนะเวลาใช้คําหยาบคําดูดันะ เวลาจะมีผลยังไงต่อใจเขาแล้วมีผลกระทบยังไงต่อเรามันจะรู้ทันทีมันก็รู้จักการใช้ชีวิตนั่นแหละถ้ามีสวรรค์มีนรกมันจะรู้ว่าเป็นตกกี่วันกี่เดือนกี่ปีงงการพูดคํานี้ไปอีกกี่วันก็จะเลิมคําเนี้หลังจากที่เราพูดกระแทกกรรมออกไปนะว่าีกรรม แล้วเขาติดใจแล้วก็ไม่รู้สึกตัวดูซิว่าอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็จะคืนดีกับเรามันจะรู้เลยนั่นแหละคือลงนรกขึ้นสวรรค์บางทีอาจารย์ก็ใช้กระลุกจิตเหมือนกันอย่างขอภัยลงพร้อมเขียนท่านก็เคยใช้ใช้บ่อยๆแล้วท่านใช้ด้วยความเป็นกลางคำต่างๆถ้าเป็นสิทธิใกล้ชิดนะ่โดนังนั้นนะ่ะถ้าไกลชิดจริงๆเนยะจะได้โดน ทันใจคำที่เป็นคํากระแทกออกมาท้าคนไม่มีจิตใจที่เป็นปกติจะรู้สึกทันทนะีแรงนั้นเป็นแรงที่ท่านพูดมาใส่เข้ามาแล้วเราก็จะรับแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะไม่ว่าใครก็ตามพูดใส่เราเป็นนินทาเป็นสรรเสริญเราจะรู้แล้วล่ะหล่นอยู่ตรงนั้นนั่นแหลนะเราจะรับเข้ามาทมนะําไมแต่ก็พูดด้วยความไม่มีสติเขาก็จะติดอารมณ์ตรงนั้นไปอีกหลายวันหลายเดือนหลายปี อารมณ์ตกค้างอยู่ภายในจิตใจรนะทายสูดเวลาปฏิบัติธรรมมันก็จะแสดงออกมา ก, นะก็ชดใช้กรรมใช้วิบากกันตอนนั้นเลยเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ยังเก็บเอามาพูดได้ทุกนะขณะนี้ขณะนี้ใหม่มก็ขาดทุนชีวิตอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วมันไม่ใช่นะเราก็เลยสลัดทิง้งทันทีสลัดทิง้งทันทีสลัดทิง้งทันทีอยู่ตลอดเวล า, าลาอันนั้นเป็นอาการของสติที่เราไม่ได้ร้องขอนะคุณภาพคุณสมบัติของข้าพเจ้าอย่างนั้นนะ มันมีประสิทธิภาพอย่างนั้นแล้วก็จึงนะเ ร, เ, รเล่าความรู้สึกตัวเล่าความรู้สึกตัวส่วนสติจะเริญมากน้อยเพียงใด น, นั้นขึ้นอยู่กับความถูกต้องและความต่อเนื่องเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นทุกกิจกรรมยังเป็นเรื่องของกรรมฐานทั้งหมดจะทําอะไรก็เป็นเรื่องของกรรมฐานทั้งหมดอย่างนี้นะอะต่อมาเราจะรู้ทันทีหลวงพุเทเดียนบอกว่าเวลาปฏิบัติอารมณ์ท้ายสุด ก, ก็คือเวลาเราทํานำ ดีทำไม่ดีทางมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมครบองค์ครบองค์เลยนะคะ่ะเนี่ยมันจะรู้ทันทีว่าไปสวรรค์ไปนรกกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะไปนิพพานถ้าทํากรรมฐานเนะี่ยมันจะไปนานแค่ไหนถ้าทําขนาดหนึ่งก็นิพพานครั้งหนึ่งนะถ้าทําถูกต้องต่อเนื่องนะปัจจุบันขณะรับรู้ได้ถูกต้อ ง, องนจนกระทั่งมารู้ปัจจุบัน ผ่านปัจจุบันอดีตรู้อดีตผ่านอดีตอนาคตรู้อนาค ต, าคตผ่านอนาคตถึงที่สุดแล้วท่านชี้ว่ายานย่อมมีถึงตรงนี้แล้วที่สุดแล้วนะ่ะยานย่อมมีเนี่ยท่านเขียนไว้แล้วท่านก็บอกว่าเออเนี่ให้จดให้จํากันไว้นะถึงทําไม่เป็นก็ตามเพื่จะเป็นทิศทางที่เดินไม่หลงทางอย่างเงี้ยเราค่อยๆถอดรหัสถอดรหัสถอดรหัสถอดรหัสถอดรหัสทีละจุดทีละจุดเราเดินถึงไหนเราเดินถึงไหนเราเดินถึงไหน รับรองได้เลยท่านคงไม่โกหกเราหรอหลวงพ่อเขียนท่านก็นยังมีชีวิตยอยู่จริงแต่ว่าวันนี้ท่านไม่อยู่เท่านั้นนะผมก็เลยช่วยโอกาสนะถือโอกาสปีใหม่ได้ได้พูดได้บอกถึงสภาวะในฐานะที่หลายคนหลายท่านเป็นผู้ใหม่แล้วเพิ่งมาสุขโตัวครั้งแรกให้ได้ยินว่าร่องรอยที่นี่ชัดเจนชัดเจนและตรงประเด็นที่สุดในความรู้สึกตัวให้เชื่อเวลยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวให้รู้จัก รู้จักรู้จําแล้วก็รู้แจ้งมีการกระทํามีการลงมือลงไปและท้ายสุดก็คือมันรู้จริงๆนะรู้จริงๆและให้จบให้เป็นให้ได้รู้สึกตัวขึ้นเงินจบไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่งทำแล้วก็แล้วไปทําทิ้งทําทิ้งทำทิ้งทาทิ้ ง, งเป็นปัจจุบันตลอดเว ล, เวลาๆจนท้ายสุดเรารู้าล่าปัจจุบันก็ยึดไม่ได้เหมือนกันละกรนะนาบพูดนี่ภาษาพูดยังเป็นอดีตเลย ปรเดีย๋ยวแล้วเราก็ต้องกลับไปในอดีตนะการใช้โรงครัวการใช้สลาหน้าเกิดมาจากอดีตทังนั้นะการใช้ห้องน้ำมันก็เป็นอดีตผลงานจากอดีตทั้งนั้นะเกี่ยวข้องกับบุคคล123มวัตถุหนะึ่งที่อดีตคนก็มีศรัทธามีใจบุญนะมีความรู้ความสามารถก็สร้างเอาไว้แนละ้วเราก็ได้ไปใช้จนเป็นปัจจุบันแต่ใช้แล้วก็ผ่านเราก็จึงใช้โลกทั้งใบนะอยู่ตรงไหนก็ไดนะ้อยู่โดยที่ไม่ต้องทุกข์เพราะว่าเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวที่เกิดจาก กายใจเคลื่อนไหวผลิตขึ้นมาตลอดเวลาเวลาอย่างไงี้นะเอาละอันมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ใช้คำพูดแค่นี้ก่อนกล่าวพาพร้อมกัน